ก็แลครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตาลีเทพสารถีก็ขับรถมุ่งไปเทวโลกพระเจ้าเนมิราชเมื่อเสด็จไปเทวโลกทอาพระเนรเห็นวิมานอันประดิษฐานอยู่ในอากาศของเทพธิดานามว่าวรุณีมียอดห้ายอดสำเร็จด้วยแก้วมณีใหญ่ส2โองยอดประดับด้วยอลังการทั้งปวงสมบูรณ์ด้วยอุทยานและสระบุกคารณี มีต้นกันลปพฤกษ์แวดล้อมและท้าพระเนธเห็นเทพธิดา น, นั้นนั่งอยู่เหนือหลังที่ใส่ญาติภายในกูตาคารหมู่อักษรพันหนึ่งแวดล้อมเปิดมณีสีหบัญชรแลดูภายนอกจึงตรัสคาถาถามมาตาลีเทพสารถีแม้มาตาลีเทพสารถีนอกนี้ก็ได้พยากรณ์แด่พระองค์วิมานห้ายอดนี้ปรากฏอยู่ เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากประดับดอกไม้นั่งอยู่กลางที่สายญาติแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆสถิตยอยู่ในวิมานนั้นความปลื้มใจปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตลีเทพสารธีเราขอถามท่านเทพธิดานี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงได้ถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน มาตาลีเทพสารธีทูนพยากรพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบุญทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าก็เทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพระริณีเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นทาสีเกิดแต่ทาสีในเรือนของพรามนางรู้แจ้งซึ่งแขกมาถึงตามการย่อมยินดีดังมารดายินดีต่อบุตรของตนฉะนั้น นางเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาบนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าห้ายอดปัญจะถูปังความว่าประกอบด้วยกูตาคารห้าคำว่าระดับดอกไม้มาลาปิลันเถความว่าประดับด้วยสันพาพรมีเครื่องประดับและดอกไม้เป็นต้นคำว่าสถิตยอยู่ในวิมานนั้น ตัดัดชติได้แก่อยู่ในวิมานนั้นคำว่าแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆอุจจาวะจังอิทธิวิกุปภะมานาความว่าแสดงเทพฤทธิ์มีประการต่างๆคำว่าได้เห็นทิศวาความว่าเราผู้เห็นความเป็นไปนั้นดำรงอยู่คำว่าเพราะความปลื้มใจวัดตี ได้แก่ความยินดีคำว่าปรากฏวินทติได้แก่ย่อมได้เฉพาะอธิบายว่าเรามีความปลื้มใจราวกัว่าของมีอยู่คืออันความดินดีครอบงำแล้วคำว่าเป็นทาสีเกิดแต่ทาสีอามายทาสีความว่าเป็นทาสีเกิดในคันของทาสีในเรือน คำว่าของพรามอหุพรามนัสษะความว่าเทพธิดานั้นได้เป็นทาสีของพรามคนหนึ่งในการแห่งพระกสปะทศพลคำว่านางมาถึงตามการจ้าปัตตกาลังความว่าพรามนั้นได้บริจาคสลากพัดแปดแดดพระสงฆ์พรามนั้นไปเรือนเรียกภริยามาสั่งว่าแน่นางผู้เจริญ พรุ่งนี้เธอจงลุกขึ้นแต่เช้าจัดสลากกพัด8ปดทำให้มีราคากหาปณะหนึ่งสำหรับภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งรามณีปฏิเสธว่าข้าแต่นายขึ้นชื่อว่าภิกษุทั้งหลายเป็นนักเลงดิฉันไม่อาจทิดาทั้งหลายของพรอมนั้นก็ปฏิเสธอย่างนั้นเหมือนกันครามกล่าวกับทาสีว่าเจ้าอาจไหมแม่หนู ทาษีนั้นรับคำว่าอาจเจ้าค่ะแล้วจัดยาคูของเคียวและพัตตาหารเป็นต้นโดยเคารพได้สลากแล้วรู้แจ้งแขกผู้ได้เวลาซึ่งมาแล้วนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ซึ่งไล้ทาด้วยโคมัมสดทำดอกไม้ยื่นไว้ข้างหน้าในเรือนคำว่าดังมารดายินดีต่อบุตรมาตาวะปุตตังความว่า ท้าสีนั้นเพลดิดเพลินยิ่งตลอดการเป็นนิดอังคาาโดยเคารพได้ถวายอะไรๆซึ่งเป็นของตนเหมือนมารดาเพลดิดเพลินยิ่งครั้งเดียวต่อบุตรผู้จากไปนานกลับมาแล้วฉะนั้นคำว่าเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานสัญญามาสังวิภาคาจะความว่าทาสีนั้นได้เป็นผู้มีศีลและมีจาคะ เพราะเหตุนั้นจึงบันเทิงอยู่ในวิมานนี้ด้วยศีลและจาคะนั้นอีกอย่างหนึ่งคําว่าสํารวมความว่าประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์ก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตรลีเทพสารธีได้ขับรถต่อไปแสดงวิมานทองเจ็ดของเทพพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าในมิราชทอบพระเนรเห็นวิมานเหล่านั้น และสิริสมบัติของโสนทินนเทพพบุตนั้นจึงตรัสถามถึงกรรมที่เทพพบุตนั้นได้ทำไว้แม้มาตลีเทพสารถีนอกนี้ก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์วิมานทั้งเจ็ดชดช่วงอันบุญญานุภาพตกแต่ง่องแสงสว่างดั้ง ด, งดวงอาทิตย์อ่อนๆเทพบุตรุในวิมานนั้นมีริดมากประดับด้วยสันพาพร อ, อันมูเทพที่ดาวแวดล้อม พลัดเปลี่ยนเวียนวนอยู่โดยรอบทั้งเจ็ดวิมานความปลื้ินใจปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพระบุตนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงได้ถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบุญทั้งหลาย แด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีชื่อโสนทินนะเป็นทานบดีให้สร้างวิหารเจ็ดหลังอุทิศ ต, ต่อบรรพชิตได้ปฏิบัติบำรุงภิกษุผู้อยู่ในวิหารเจ็ดหลังนั้นโดยเคารพได้บริจาคผ้านุ่งผ้าหม่มพัตตาหารเสนาสนะเครื่องประทีบในท่านผู้ซื่อตรงด้วยจิตเลื่อมใส รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองแบบในดิถีที่สิบสี่ที่สิบห้าที่แปดแห่งปักและปาติหารียะปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาบนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโชดช่วงทัตทัลหมานาได้แก่โชดช่วงอยู่ คำว่าทรงแสงสว่างอาเพนติความว่าตองแสงสว่างดัง ด, งดวงอาทิตย์อ่อนๆคำว่าในวิมานนั้นตัดธะความว่าในวิมานเจ็ดหลังที่ตั้งเรียงรายอยู่นั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อโสนทินนะข้าแต่มหาราชเจ้าเทพบุตรองค์นี้เมื่อก่อนในการแห่งพระกปะสปทศพลเป็นคารหบดีมีนามว่า โซนทินนะเป็นทานบดีในนิคมแห่งหนึ่งในกาสิกรัตเขาให้สร้างกุดีที่อยู่เจ็ดหลังอุทิตบรรพชิตทั้งหลายปฏิบัติบำรุงภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในวิหารกุดีนั้นนั้นด้วยปัจจัยสี่โดยเคารพและเข้าจำอุโบสถสํารวมในศีลทั้งหลายเป็นนิครันจุติจากอัตภาพนั้นแล้วจึงอุบัติในวิมานนี้บันเทิงอยู่อัห น, นึ่ง คำว่าและปาติหาริยปักปาติหาริยปักขันจักรนี้ในคาถานั้นท่านกล่าวหมายเอาดิทีที่เจ็ดและดิทีที่เกอันเป็นดิทีรับและส่งแห่งอัถมีอุโบสถและดิทีที่สิบาและดิทีที่หนึ่งอันเป็นดิทีรับและส่งแห่งจาตุทัตสีอุโบสถและปันระณสีอุโบสถ